أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ل ه ص م ص ل ع ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم รَบอธิ ر ฐาน ل ห้ศรีและสิริของ ن ันและทำให้อำริของฉั ل เ ن ็นสุขร ر บคำพูดที่ฉ ن นพูดพระَจ้าเราถูกทำร้ายเ ي าถَูทำลายถ้าَระองค์َม่ให้ ن ภَยเราและกรุณาเรา ا รَจะไม่เป็นผَู้พ้พระเจ้าเราได้ ل ْบการช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยความเมตตาพระเจ้าเราไ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و ز ์์์์์์์ ا ์์์์์ ل ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ให้จบนะครับคิดว่าคงจะจบแล้วแหละวันนี้อิสลาสุมฆ่าเราแต่ละก็ตั้งกล่าวชุโครพร้อมกับอินดีต้อนรับนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้กลับมาจากพิธีฮัจญ์อัลฮัมดุลิลลาฮฺอลลอฮหทุลมาจิัลัดุลัลลอฮทุดัมาจากพิฮัจญ์ดุลิลลััลลอฮฺสำหรับทน่บมาจากพฮัจญ์อัมดััรั รักมหะที่เขา ا ย่ ا ر ل ر บผิดชอบ فما ت ن ف ع ه م شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرات معرضين ك أنهم حمر م س ت ن ف ر เตฟีร์ศรัทธ์มิ ي คสว كُ คุล منهم أي يتصح فم منشرة كلا بل لا, لا خ ا ف و ن ا آ خ ر ة กَลลาَّลลาห์อัลลَฮฺกัลลาอินั้นเขาจَจําเห็นะฟังَะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนَฟังนะฟ ว َمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ ي َ ش َ ا ء ว อัลลอฮฺจะกุรอหละอัลลอฮมอฟิรฺฮฺอัลฮะมดุลลอฮฺและอัลลอฮฺมอรฺฮฺอัลฮมุลอะมดุออัลฮะมดุลลอฮฺฮะมดุลลอฮัลฮะตุลลอัะมดอัละมดุลกอฮฺอนละอฮฺอัละออัลฮุอัลฮุอฮฺอลอละุลฮะุฮฺอัตะล Fokus, fokus lah s e b a b surah ni, kan, Inzar. Ya ayuhal y muddathir q u m faan dir. Inzar, kan, apa? Terongkang, t a b s h i r Wama a f s a l n a k a i l l a mubashiran, wanazira. อัลล่าบอกว่าไม่ได้ส่งท่านนาบีมานอกจากเพื่อให้เป็นมุบชิรแจ้งข่าวดีว่านาซีระแจ้งข่าวอะไรแจ้งข่าวร้ายเพราะฉะนั้นสุราห์นี้นี่จะโฟกัสในด้านที่สองมากกว่าด้านแรกเพราะกำลังพูดถึงบรรดาหัวโจกที่ดื้อรั้นในหมู่ชาวมุชริกนตั้งแต่ต้นสุราห์มา คนกลางโซโรก็พูดถึงการอินทราการแจ้งการพูดถึงนรกการพูดถึงการลงโทษซึ่งคนพวกนี้เอาเรื่องการลงโทษของอัลลอฮ์ الله, เอาเรื่องข่าวรา้ายที่ท่านนาบีเอามาแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องตลกขบขันถึงกับเยาะเย้ยถากถางว่าจํานวนมาลัยแค่สิบเก้าสิบเก้ท่านเนี่ยไม่ไม่ไม่คานาเมืองไม่คาณาเมือง นะครับสักเดียวจัดการได้หมดแต่สุดท้ายาล้อสะพองใจอะไรก็เลยตอบโต้คนเหล่านี้และบอกว่าพวกเขาจะต้องเข้านรกยะหันนำพอถึงวันอาเครัตเนี่ยคนบรรดาชาวสวรรค์ก็จะถามคนเหล่านี้ว่าทำไมพวกเจ้าจึงต้องล ง, งมาในนรกถูกลงโทษในนรกอย่างนี้พวกเขาก็จะยอมรับในความผิดของตัวเองใช่ไหมครับอายักก่อนหน้านี้ที่เราเรียนก็คือ อัลลูลัมนาคุมินัลมุสลีนเหตุแรกที่คนนั้นต้องรับการลงโทษในนรกก็คืออะไรครับลัมนาคุมินัลมุสลีนละทิ้งกัรล่นมันวลัมนาคูนูตองมุลมิสกีนไม่ให้อาหารไม่ดูแลคนยากคนจนวะคุณนานัคูขุดเมือัลคาอิดรีนวะคุณนานุคัจบุบิยามิดดินเรานี่ยทำถากถางเยอะเย้ย อยู่ในกลุ่มคนที่พูดชั่วทําชั่วละเาวะละโคตรอิลลาเบลลาทำอย่างนี้เรื่อยมาว่าคนนัว่าคนนันักพูดมอุกขาดอาจจะอาจจะน่าจยักีนจึงกระทังต์เสียชีวิตแสดงว่าพวกเขายอมรับว่าเหตุที่พวกเขาต้องเข้านรกนั้นไม่ได้เกิดมาจากการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ล ا ل ى ظلم พวกเขาแต่อย่างใด ทุกคนที่เข้านรกจะยอมรับว่าตนเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเข้านรกเองไม่ได้เกิดมาจากการที่ อ, ลอัลลอฮฺอายุดีทำทำร้ายกลั่นแกล้งเสียแซงไม่ใช่แต่เกิดมาจากพฤติกรรมของตัวเองทั้งสิน้นลาฮาอุลลอฮฺอัลลอฮฺโใจละวลาทีนี้ อ, ลอัลลก็บอกว่าฟะมาต์ม์ฟะอุมชัฟฟ่าตุลชัฟีน และแล้วการชาัฟอาตของบรรดาผู้ที่ให้การชาัฟอาตก็จะไม่มีประโยชน์สาหรับพวกเขามันมีอยู่สองอย่างผมบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทําให้การชาัฟอาตเนี่ยได้รับได้เป็นผลในวันเกียรติชัฟอาตคืออะไรครับชัฟอาตก็คือการประกันการประกันตัวสมมตุติมีนักโทษคนหนึ่งมีผู้ต้องหาคนหนึ่งถูกตำรวจจับ มีไหมระบบโลกนี่ก็มีไหมคนที่ไปประกันน่ะคนที่ไปช่วยเอาออกมานี่แหละการช ف ا ที่จะมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายระดับการช ف ะ ا ะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช فاء ติแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากที่มนุษย์ทุกคนนั้นฟื้นขึ้นมาจากกุโบของตัวเองก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดสุดๆในวันอัคราษฎ์ เฝ้ารอการตัดสินจาก Allah ح ح า u b h a n a h u Wa Taala แต่ละคนก็คือกระวนกระวายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจนกระทั่งทนไม่ไหวไปหาท่านนาบีอาดัมเป็นคนแรกยกกู้ไปหาท่านนาบีอาดัมก่อนไปบอกอนบีอาดัมว่านี่เรารอไม่ไหวแล้วนี่ยมันทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดอาดัมช่วยขอร้องจาก Allah Taala หน่อยให้เริ่มพิพากษาสักที จะเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันขอให้เรื่องก่อนนี้ไม่ไหวล้วไปหาอาดัมอาดัมก็ปฏิเสธบอกปัดฉันช่วยไม่ได้วันนี้วันนี้ไม่มีฉันไม่มีฉันทำอะไรไม่ได้วันนี้ฉันเคยปิดกับออลอัลฉันไม่กลา้าไปหานบีคนนั้นไปหานบีคนนี้นัานาบสี่นับสีทุกคนพูดว่านับสีนับสี่หมดเลยสุดท้ายมาจบที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุซุลแลมท่านนาบีมุฮัมมัดว่ามาอัลลอฮ์ท่นนี้ฉันจะมา เสฟานมาขอร้องกับอัลลอสุบะฮฺาะถาลก็เลยไปสุ jud ที่หน้าอารชของลลอฮสุบะฮฺาะถาลสุ j u นานมากแล้วก็ขอดุอาเท่าที่อัลลสุบะฮาะถาลจะดนใจให้ท่านนบีของเราขออุอาไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่ท่านนบีขอดุอาเหมือนกับท่านนบีขอดุอาในวันที่รอการตัดสินจากอัลลอสุบะฮาะาละสุดท้ายว่าแต่ละก็เรียกให้ท่านเงยหน้าขึ้น เลอหน่วท่านน บ, บีสุลต่ันนั้นให้การชฟาแก่อมุมมะของท่านเป็นผู้แรกสุหาระห์อันนี้คืออัลชฟาเกตุลคุบร์เป็นชาฟาเกตุอื่นอีกละอยังมีชาฟาเกตุอื่นอีกชาฟาเกตุให้เข้าสวรรค์ก่อนชฝาเกตุไม่ให้ตกนรกชฟาเกตุเอาคนที่ตกนรกแล้วเนี่ยออกจากนารกมีหลากหลายรูปแบบมากแต่สําหรับคนกาเฟิรัลละตัลอาบอกว่าฟะมาทัมฟะอุม ช فاء ตุช اف ินอนี้ช فاء ตรงนี้ก็คือช فاء ตตอนที่พวกเขาเนี่ยเข้านารกเข้านารกเนี่ยไม่มีใครที่จะมาช่วยคนกับฟสดได้เพราะว่าเงื่อนไขของการช فاء ตเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาอุลามะบอกว่าเงื่อนไขที่อัลลอลาจะให้ช فاء ตของแต่ละคนเนี่ย เกิดผลจริงๆก็คือประการที่หนึ่งริษัทละอันอิมัชฟูอันิชาแฟร์การที่อัลลอลานั้นโปรดปรานแก่ผู้ผู้ให้ชั้์ผู้ประกันหมายถึงว่าอัลลอต้าละต้องรับรองก่อนว่าคนนี้ฉันอนุญาตให้เขาเป็นคนประกันได้ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ไม่มีอนุญาถ้าไม่มีการอนุญาตจากเราก็ไม่มีสิทธิทีจใจชห้นภา้าออกไหมครับอ่า น er so huh. ีอทีหนึ่งเหมือนแม้กระทั่งมาลอิกรัเองนะเนี่ยมีในอายะ์อัลกุรอานที่บอกว่าวะกาม عت เอัอ ا มลอิกเองนี้เป็นงั้นค่ข้อที่สองะที่บอกว่าริ ا ั ل อัลลอ ل ์อลลอาลพอใจคนให้รักคนให้ประกันคนให้ชฟาอและจะต้อง พอใจกับคนที่รับ ก, การชดใช้สมมุติพอใจคนให้ประกันและคนตัวที่จะคนที่จะมาประกันเนี่ยโอเคผ่านจะไปช่วยคนคนหนึ่งในนรกแต่ละท า, างไม่พอใจไม่ยอมไม่ยอมไม่พอใจกับคนในนรกก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าคนคนคนที่จะมาให้ประกันเนี่ยเป็นถึงระดับนบีก็ไม่ได้ เฮ้ยนบีจะให้ชั้ฟอาตอุมัตของท่านไม่ได้ถ้าสมมุติว่าคนคนที่จะได้รับเนี่ยเราแต่เราไม่พอใจไม่ได้น บ, บีก็ไม่ได้มาเลอ๊ยคัดก็ไม่ได้มะเลี๊ยคัดถึงแม้จะมีสิทธิในการได้ชั้ฟอาตแต่ถ้าเราแต่เราไม่พอใจบุรุษที่สองไม่ได้ไม่มีสิทธิละฮาวลาอัลกูตะอัลลาฮิลลาไม่ใช่เรื่องเล็ก น, นะไม่ใช่เรื่องเล็กเนี่ยวันอัสดัตเนี่ยชั้ฟอาตเนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอิมัมอัชชาฟัย เคยมีบทกวีบทกลอนบทหนึ่งท่านบอกว่าอุ حب الصالحين وألاست منهم لعل أن أنال بهم شفاعة أحب الصالحين ฉันรักบรรดาคนที่มีคุณธรรม و ل อัลลอฮฺอักบารนีะกวามกามวออิมมชฟิี ไม่อวดดีอวดตนระดับอิหม่ามชัฟฟีอีะพูดอย่างนี้อิหม่ามชาฟัฟฟอีบอกว่าฉันเนี่ยรักคนดีมีศีลธรรมถึงแม้ว่าฉันไม่ใช่พวกเขาอยาอัลลอฮ์อิหม่ามชัฟฟีอีบอกว่าฉันไม่ใช่พวกซอริยีฉันเนี่ยแต่ว่าฉันรักบรรดาซอริยีคนที่ดีกว่าฉันคนที่มีศีลธรรมคือระดับอิหม่ามชัฟฟีอีไม่มีศีลธรรมเนี่ยเรานี่รับแนเรานี่ไม่มีอะไร อ, ะอ่ะไม่รู้ชะนูดมีความตาวะวา่าเขาไม่อวด คนดีเนี่ยเขาจะไม่อวดตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนสัมภาระรักคนซนเลห์รักคนดีรักอะไรทำไมทำไมที่รักอย่างนั้นละอัลลิอันอนาลบิหิมชาะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้รับการชฟาะจากคนดีๆเหล่านี้สมมติฉันลำบากขึ้นมาในวันอาคราสเนี่ยการที่ฉันรักเขาเนี่ย a l l ล h อาจจะให้สิทธิ แต่คนคนนั้นมาให้การช่วยเหลือกับฉันได้บ้างในวางเรื่องหนออาคารัตเพราะฉะนั้นเราต้องรักคนดีเราต้องรักคนซอละถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับคนเหล่านั้นก็ตามเพราะว่าในวันอาคารัตอะดิสก็บอกเองอัลมารูมะอัมันอัฮับมาอัมมินยุฮิบเอาคำมาคัดคนคนหนึ่งเนี่ยจะใหญ่จะได้อยู่กับคนที่เขารักเรารักคนดีเราก็จะได้อยู่กับคนดีอัลลอฮฺช่วยเราอัลลอฮฺ ถ้าเรามีมีชีริกต่อหลอกควญญามตาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอิมามชฟิอีนะครับเป็นขนาดนี้เราต้องคิดดูนะครับว่าเราจะขนาดไหนย่าอัลลอฮ์สตอฟุลลอฮอัตูบะลจริงๆแล้วบทกวีนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็มีการโต้อตอบเปนด้วยระหว่างอิมามชฟิอีกับอิมามอัหมัดอิมามอัลหมัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์อิมามชฟีแล้วก็เป็นอาจารย์อิมามชีด้วยทั้งสองคนนี่เป็นทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์สลับกันไปสลับกันมา อิมามอัตมัดเรียนกับอิมามชาฟีอิมามชาฟีก็เรียนกับอิมามอหตมัดต่างคนต่างก็เรียนแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะคนระดับเราคนระดับนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องการเรียนไปมาระหว่างกันเขาไม่ถือว่าใครแก่ใครใครใครอะไรนะใครหนุ่มกว่าใครที่มีความรู้ไปเรียนได้หมดอัลลอฮฺนี่คือบรรดาอัลซัลฟอัลซัลฟ์เพราะฉะนั้น า l kan kan l ต an ้องรอคนจะให้ประกันและต้องรอให้กับคนที่รับการประกันและต้องอนุญาตให้มีการชักษาึ้นมา้าไมอนุญาตก็ไม่ได้อิ u l l a ا ل ش ف ต้องได้รับการอนุญาตจาก Allah ที่จะให้มีการการรับประกันนะที่ t a บอกว่าม um ันจะลี่ชาอินเหอิลลาอิสเนเพราะฉะนั้นคนกัฟเล่านี้เนี่ยไม่มีสิทธ ฟะมาต์ทำฟะอุห์มชั่ฟะตุชัฟฟะอินแล ว, วันอนัคานก็บอกว่าม่ควที่ให้ชัฟฟะต์นี่ยอดมากอัลมากก็ให้ชัฟอะต์ได้บางขดิสบางรีวยวก็บอกว่าเด็กที่ตายตอนที่ยังไม่บะเลสก็ให้ชัฟฟะต์ได้อย่างนี้เป็นต้นลูกหลานที่ท่องอัลกุรอานเป็นฮาฟิสอัลกุรอานก็ให้ชัฟฟะต์กับพ่อแม่ให้กับญาติอะไรของเขาได้ในหลายที่คนสมัยก่อนเขาอยากให้ลูกหลานเนี่ยท่องอัลกุรอานเพื่อจะให้ เพ e ื่ออยากจะได้พึ่งการใช้ฟ้าของลูกๆในวันอาทิตย์ถึงแม้จะมีคนที่ให้ใช้ฟ้ามากมายในวันอาทิตย์แต่จะไม่มีประโยชน์สําหรับคนเหล่านี้ที่กุฟร์ละอัลลอฮฺซุบฮานาะฮฺตะอัลเลานะอุบิลละห์ฟะมาลหุมอันิจจ์กีรอที่มอกรีตีนอ่ะจะจบละจะมาสรุปแล้วนะครับละตอลาบอกว่าพวกนี้มันเป็นอะไรกันฟะมาลหุม มาละฮอมมาละฮอมเนี่ยเป็นคําถามเชิงแปลกใจมันเป็นอะไรของมันไอพวกนี้มันเป็นอะไรของมันอันนทัศกิรติมอรีดีทำไมมันถึงเกลียดทําไมมันถึงหนีทําไมมันถึงหันหลังให้กับการตักเตือนของท่านนบีสุลต่านของเราสันละฮะทําไมมันถึงหนีกับการสั่งสอนโอวาทมันไม่มันไม่ดีตรงไหน อัลกุรอานี่บอกบอกไงสิมันไม่ดีทรงไหนทำไมถึงหนีแปลกใจไหมทำไมเราไม่ยอมไม่ยอมตามอัลกุรอานทาไมทาไมคนถึงหนีอัลกุรอานแปลกไงก็เลยต้องตั้งคาถามอย่างนี้ไม่มีคำตอบบางที่มาวเป็นอะไรอะ่ะลกุรอานนีเขียวอัลกุรอานมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งพออ่านอัลกุรอานแล้วพอรับเอาบทเรียนจากอัลกุรอารนแล้วเนี่ย ตัวเองจะเป็นโรคเหรอเป็นมรระเร็งเหรอเป็นอะไรเหรอถึงเด็กหนีนะแล้วหนีไม่ใช่หนีเฉยๆละบาลบอกว่าแค่นน um ah ั้นหุ่มหุ่มรุ่นมุสตัมฟะมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพด้วยเรียก mm hmm. ว่าอัตชบีอัตจำซีลในภาษาบาลาก็วิชาบาลาก็เขาจะเรียกว่าการเปรียบอุปมาอุปไมแบบฉายภาพเลยฉายภาพยังไงแค่นนั้นหุ่มหุ่มรุ่นมุสตัมฟะ มุตัมฟิร์ห์ bang b ิาันว่ามุตัมฟิร์ห์แค่นั้ฮุมุรมุตัมฟิร์นี่ว่าไงมุตัมฟิร์หใช่มุตัมฟิร์หเหมือนกับฮุมุรฮุมุรเนี่ยเป็นพระหุปุธของฮิมาร์ฮิมาร์ก็คือลาจริงๆแล้วลาตรงนี้เนี่ยบรรดานังกือิบอกว่าหมายถึงฮุมุรวะชี ลาป่าลาป่ามีไม้ยลาป่าจริงๆแล้วคำว่าลาป่าเนี่ยคนอาหรับเนี่ยหมายถึงม้าลายม้าลายเนี่ยคนอาหรับจะเรียกมันว่าลาป่าไม่ใช่ลาบ้านลาบ้านก็คือที่เขาเอาไว้ขนของใช่ไหมครับบ้านาประเทศแถบเราไม่มีแต่ประเทศที่ยังทุรกันดานกันอยู่อาหรับมันก็จะมีเยอะใช้ลาในการบรรทุกคนสมัยก่อนก็จะใช้ลา มันก็คืลาบ้านลาป่าเนี่ยในความหมายของคนอาหรับก็คือม้าลายม้าลายเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไวต่อความรูศศม้สึกมากแค่มันได้ยินเสียงก็กก็กระกหน่อยนะเสียงเหยียบใบไม้ของเสือของสิงโตของอะไรหน่อยเนี่ยมันก็จะรีบจุ๊บเปาหมครับเหมือนปรลอดจุ๊บนี่เลยก็จัดกระจายไปเลยฟัรัดมินกัสวะ มาลายที่วิ่งหนีจากสิงโตฟารัตกัสวาระเนี่ยมีหลายความหมายบางคนบอกว่าหมายถึงสิงโตบางคนบอกว่าหมายถึงนักล่านี่คืออุ ป, ปมาอุปไมยของบรรดามุชริกีนที่หนีจากอัลกุรอานคือเหมือนกับว่าในขณะที่ท่านกาลังจะเอา้าปากอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วไม่ทันที่จะอา้าปากอ่านอัลกุรอานมันหนีไม่ทันฟังละนั่นแหละอัลตัาลาร์ก็เลยทํา เอาอเอาสํานวนเชิงแปลกใจฟาแนลฮุมอะไรกันเนี่ยมันเป็นอะไรของมันยังไม่ทันจะอ่านนี้ทั้งหมดแล้วฮาแ ล, ล้วนี่ไหมครับคนประเภทนี้ยังไม่ทันจะอินนัล h a m d ล l i ล l a h เลยนู้นจบตูนฮะฮะฮะฮาฮะฮะฮะฮะฮะฮะละฮะฮะฮะมะฮะฮะ คนประเทนี้ไม่ยอมฟังยังไม่รู้่จะพูดถึงอะไรบางทีอัลกุรอานอาจจะพูดถึงสวรรค์อาจจะพูดถึงเรื่องดีๆอาจจะพูดถึงริสกีใช่ไหมอัลกุรอานมันมีเนื้อหาเยอะมันไม่ได้พูดแต่นรกอยู่ตลอดเวลาไม่ฟังริีนลฮอลว่ากรอานลิสั่งลลอฮฺวลลนี่มันไม่มีภาพที่จะอธิบายเหนือไปกว่านี้อีกแล้วอัลลอฮฺอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับ ฮุมรเป็นอคนอาหรับจะมองว่าไอสัตว์เดรัจฉานอ่ะเอาสัตว์เดรัจฉานมาเปรียบเทียบอ่ะมันต่ําที่สุดละคือคือมา้าม้าลายที่มันหนีสิงโตเนี่ยมันก็ยังสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลตรงไหนก็มันหนีว่าตัวเองเนี่ยกลัวว่ามันจะตายกลัวสิงโตจะมาขย่ จะมาจับมันไปกินเป็นอาหารแล้วไอ้ที่มันหนีอัลกุรอานเนี่ยหนีทําไมฮะมันมันทำไปทำมตังไหนลาฮอลาลาโฟะติลาเวลาไม่มีภาพที่จะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วครับสําหรับคนที่หนีแล้วก็หันหลังให้กับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานด้วยนะดรับอัลกุรอานว่ายังไงต้องฟังบ้องฟังแล้วมันก็จะเสริมซับ เข้าไปในเจตจำนงเราบาลยูรีดยังไม่พอแค่นั้นไม่พอว่าหนีแล้วก็หันหลังให้เท่านั้นยังไม่พอบาลยูรีดุคุลุมริอิมินหมุมเถ้าว่าแต่ละคนแต่ละตัวแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนของพวกมุสลิมีนเนี่ยต้องการอะไรยูรีดุคุลุมริอิมินหมุมอันยุกาซูฟันมุเนชาระ คนเหล่านี้เนี่ยต้องการคัมภีร์ที่เขาเรียกว่าหนังสือเหมือนหนังสือเชิญอ่ะเวลาที่เขาเชิญไปกินงานสมมุติสมตสมติเขาเชิญสัปประรุษมัสยิดลิวะอุบิดซ์ลามไปกินงานสูเราะห์มัสยิดไหนสักแห่งหนึ่งมีสัปประรุษอยู่หนึ่งร้อยคนเนี่ยเขาส่งมาหนังสือหนึ่งร้อยคนไหมอ่ะเขาส่งมาอีกหมาบคนเดียวก็พอแล้วแหละ ให้มามาอ่านวันศุกร์ก็รับทราบกันทุกคนก็ไปกันเองเนี่ยไม่ไม่เอากูไม่มีหนังสือกูไม่ไปะ <c oughs> คืออยากจะได้หนังสือคนหนึ่งอวบนี้ก็อยากได้หนังสือฉบับนึงอวะนี้ก็อยากจะได้หนังสือเหมือนกับว่าต้องได้รับหนังสือระ บ, บุชื่อของตัวเองมาเลยว่าเนี่ยเออนี่ของตัวเองคืออยากจะได้อัลกุรอานแบบนั้น อยากได้อัลกุรอานอันนี้อัลกุรอานของอบดุลจฮัอัลกุรอานของอับุละฮอัลกุรอานของอัลวาลิดอิรุมอวรอัลกุรอานของของใครของของคนที่ไม่ยอมศรัทธานี่มันอยากจะได้แต่ละคนแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มไปเหมือนที่ท่านอบีมุฮัมมัดได้รับถ้าไม่ได้รับแบบนี้ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตลกหมคือคิดเหมือนเด็กเดคิดเหมือนคนไม่มีสติ นี่ค kind of mm ือคาเรียกร้องของบรรดามุชร nah, ิก ah. ินข้ออ้างที่โบมี hmm. right. ่ไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่มีหลายแบบมากแบบที่หนึ่งะแบบที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าให้ท่านนบีขึ้นไปเอาเองไม่เอาที่จิบริลเอาลงอมานี่ไม่เอาขอให้ท่านนบีขึ้นไปเอาเองวนนุมก ต้องเห็นจากจากักอัตนาบีขึ้นไปบนฟ้าแล้วขึ้นไปบนฟ้าอย่างเดียวแล้วลงมาอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องเอาคำพีลงมาให้เห็นด้วยนี่คือคาเรียกร้องของบรรดาผู้ชีพอันนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองบอกว่านะอยากจะให้ลงมาแบบเมื่อกี้แต่ละคนก็คือได้รับคนละเล่นคนละเล่นคนละเล่นคนละเล่นหรือคนละสุรร์ก็ยางดี กุลละซ ร, ร, รอกุลละซรอเจาะจงไปเลยบอกว่าเจ้าต้องศรัทธาตามคำมัทนะโออบุลอาบอยากจะได้แบบนั้นเลยจากอิบรีสุฮานัลลอฮ์หรืในบางอายัดเนี่ยต้องการเห็นเป็นเล่มไม่เอาที่ท่านนาบีเอามาอ่านนี่ไม่เอาต้องการเป็นกระต้สต้องการเป็นกระดาษต้องการให้ลงมาเป็นกระดาษมาเลย ทำไมไม่ลงอะอัลล์ไม่มีความสามารถหรือทาไมไม่ลงเอาเป็นกระดาษลงมาเลยอ่ะทไมอ่ะครับนี่คือเขาเรียกว่าอสเตซาเป็นคำเรียกร้องอย่างโง่เขาโง่เขลาเบาปัญญามามุชริกีนซึ่งใช้เป็นข้ออ้างที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสะลลัจริงๆแล้วสำหรับคนที่อยากจะศรัทธาเนี่ย มันจำไม่มันต้องถึงขั้นถึงขั้นต้องขอสองสามอย่างเมื่อกี้เลยหรือะมันไม่พอหรือในเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเองอัลตลาก็จะตอบโต้คนเหล่านี้อย่างเช่นในสุรทูลอังเกบุอัลตัลลาบอกว่าอวลัมยักษ่มอันอนเซลนาอัลเลกัลกิตาบยุตลาอัลเลาะห์อินน์ฟิซัลิคัลรหั م อินน์ฟิซัลลิค ลา رحمة และ ذ ك ر ى ل ق و م م ن ي ك ف ه م أ ن أ ن ن ا ع ل ي ك ا ل ك ت ا ي ط ل ع ع ل ي ه م إ ن ف ي ذ ل ك ลา رحمة และ ذ ك ر ى ل ق ي ن ي ؤ م ن و ن ไม่พออีกหรอที่ฉันพูดถึงลงมัยกับท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมัมอ่าอยู่เนี่ยมันยังไม่พออีกหรือในนั้นเนี่ยมันยังไม่มีรหมมัดมันยังไม่มีบทเรียนอีกหือทั้งทั้ที่ในอัลกุรอานเนี่ยที่ท่านนบีเอามานี่ทั้ง30มสยุเย ทั้ง114ซุ拉นี่ยังไม่พออีกหรือที่จะเอามาใช้ล้างหัวใจสกรปรกสกรปกสกรปกโซโครกของตัวเองให้มันสะอาดสําหรับคนที่อยากจะศรัทธาเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรเข้ามิน้นอยู่มีนูน่นอลักษัณร์บอกว่าสําหรับคนที่จะศรัทธาเนี่ยโอ้ไม่ใช่แค่ไม่พอเหลือเฟือเหลือจนกระทั่งเราไม่เอาเหลือเหลือของเราก็คือเหลือแบบไม่เอาเหลือเยอะแย ะ, ยะเลยประมาท อ่านอาัจฉริยะครับทุกวันนี้มีคนที่รับอิดายะต์พราะอัลกุรอานเยอะมากใครดูแม่รายการที่เขาเอามาถ่ายทอดแต่เป็นรายการภาษาอาหรับที่เขาบอกว่าในลกุรอานที่จะได้รับอิดายะต์พระอัลกุรอานคนใบยังได้รับอิดยายะต์จากอัลกุรอานได้เลยคนใบ้คนใบน้ในฟังฟังได้ไหมฮะทั้งไม่ได้ได้ยินเสียงไม่คือไม่รู้ว่าเขาอ่านอะไรไม่รู้แต่ มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใบที่อเมริกานอกจากจะได้รับอิดธิย์จการอัลกุรอานกับตัวเองแล้วเนี่ยยังสอนคนใบด้วยกันให้รู้ถึงอิทธยยัจอารอัลกุรอานอีกด้วยภาษาใบของตัวเองแล้วมีคนรับอิสลามกับเธอดีกว่าเราอีกเรามีคนรับอิสลามกับเราบ้างไหมเขาใช้ภาษามือในการดะว่าวในการอธิบายสุรหัลแฟติฮะจนกระทั่งคนอื่นรับอิสลามเพราะ นะขนาดคนใบ้มันยังได้ไดรับบิดาญาจจากอัลกุรอานนะแล้วค น, คนที่ไม่ใบ้คนที่ไม่หนวกคนที่ไม่คนที่ไม่ตาบอดอะทําไมถึงไม่ได้รับบิดาญาจจากอัลกุรอานนี่แหละที่เราแต่เราบอกว่าอินนะฮะ فإن هو لا تعمل أبصار ไม่ใช่ตาที่บอดว่าลค ولكن تعمل قلوب ล ل ที في الصدور แต่ที่บอดก็คือหัวใจมันบอด ก็เลยไม่ได้รับอิดายาจากอัลลอฮพวกนี้ก็เหมือนกันนะันลอฮฺสนะุบิลลัหฺมิมตัลิกนะอัลลอฮยังสัมทับตันไปนะกัลลากัลลาเราบอกแล้วแนวความคิดก่อนหน้านี้ที่พูดมาทั้งหมดที่พวกมุสรินอ้างมาทั้งหมดเนี่ยกัลลามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยเลยบัลลายล า, ยายขาูนลอาร สาเหตุที่แท้จริงก็คือคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้กลัววันอัคราสไอ้ที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลกุรอานที่เรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่เพราะอัลกุรอานไม่ได้มีฮีดายัดไม่ใช่เพราะอัลกุรอานไม่มีบทเรียนไม่ใช่แต่เป็นเพราะตัวมันเองมีโรคโรคที่ว่านี้ก็คือไม่ศรัทธาต่อวันอัคราสนั่นเองไม่เชื่อพอไม่เชื่อต่อวันอัคราสเนี่ย อย่างอื่นมันก็ปิดหมดปิดปิดปิดปิดปิ ด, ปดไม่สามารถที่จะรับขีดายจากอัลกุรอานได้อีกแต่ถ้ามีความเชื่อตะวันอัครัตโออัลกุรอานจะเป็นคลังความรู้สําหรับเขาเห็นภาพทุกอย่างช้าอยู่ต่อนหน้าแบบเหมือนยิ่งกว่าโปรเจคเตอร์เห็นภาพสวยเห็นภาพทั้งหมดเลยเห็นด้วยใจก็เรียนเห็นด้วยใจานลลอ Allahu a k ا ل ل ا قوة إ ا ل ل ه นะเขาเล่าบอกวาอินนั้นใน ذلك ذكر لمن كان له ق ل ل ق س م ة وهو شهيد القرآن มีทั้งมีประโยชน์เสมหรับคนที่มีหัวใจแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังมีหัวใจแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีถึงจะมีประโยชน์ทั ย้ำเข้าไปอีกนะครับอินนหูทัสกีรอจริงแล้วอลัลกุรอานนั้นเป็นบทเรียนแฟมันชาอัจการะใครที่อยากจะได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานมันก็ย่อมจะได้รับเขาก็ย่อมจะได้รับเห็นไหมอะไรประกาศชัดเจนเหตุที่คนกาเฟตไม่ได้รับฮิดายัดจากอัลกุรอานไม่ใช่เพราะว่าอลัลกุรอานมันไม่สามารถให้ฮิดายัดไม่ใช่เป็นเพราะตัวเขาเองเขาไม่ต้องการ อายัด น, นี้เนี่ยอุลามะทักซีร์อธิบายว่าเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าอัลกรุรอานความง่ายของมันการที่เราจะท่องอัลกรุรอานการที่เราจะได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานเนี่ยขึ้นอยู่กับคนที่จะอ่านด้วยถ้าเราอยากได้ถ้าเราอยากอ่านเราก็อ่านได้ถ้าเราอยากท่องเราก็ท่องได้ ถ้าเราอยากปฏิบัติกับมันเราย่อมที่จะปฏิบัติกับมันได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงพระอัลกุรอานชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนพระอัลกุรอานได้เนี่ยชัดเลยเพราะอัลลอฮฺบอกว่า فمنشاء ذكره แล้วที่เราไม่อ่านเพราะอะไรพราเราไม่อยากอ่านที่เราท่องไม่ได้เพราะอะไรเราไม่จริงจังไม่จริงใจที่จะท่องเราไม่ปฏิบัติอัลกุรอานเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยากจะปฏิบัติกับมันตั้งแต่แรก ชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะรานเาอะไรเราไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงกับอัลกุรอานแต่ะมันขึ้นอยู่กับทั่วคนเรานี่แหละไม่อยอมอัลกุอลรอานนี่พร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เอาเองเราไม่มีมาชีอะเราไม่มีความต้องการเพราะฉะนั้นจะเอามาจากไหนใีความต้องการตรงนี้จะเอามาจากไหนต้องหามาจากไหน ยาย่ามาอ้างว่าโอ้เราสร้างฉันมาอย่างนี้สร้างสร้างฉันมาให้เป็นคนไม่ดีสร้างฉันมาให้เป็นคนไม่รู้เรื่องเป็นคนโง่โอยอมเป็นคนโง่ยอมเป็นคนไม่ดีไม่มีครับอันเนี้ยนักจับศีย่างท่านอิหม่ามอัสซาดีเนี่ยท่านอธิบายว่าฟะฟีฮัดรดุน علىالقدرية สองอายัดนะครับอายัดถัดไปด้วยที่อัลลอฮฺสัลาห์บอกว่าว <ess iz uk uru> ่าไม่กุรอนอิลลาอินยาชาอัลลอฮ์คนเรานั้นจะไม่ได้รับบทเรียนนอกจากว่าอัลลอฮฺสัลาห์ต้องประสงค์ด้วยบอกแล้วนะครับว่ามันมีความประสงค์ของบ่าวก็คือพวกเราเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและความต้องการของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการหรือความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และสุ ح ح ตสะลต่าต้องอยู่ด้วยกันเราบอกแล้ว ความประสงค์ของเราเนี่ยต้องมีต้องเชื่อมโยงกับความประสงค์ของเราถ้าเราต้องการแต่เราไม่ต้องการก็ไม่เกิดนะครับมันต้องอยู่ตรงนั้นเราเนี่ยข้อเ น, นี้เนี่ยเป็นการรัดจนอัลกัดเรียเป็นการตอบโตวพวกก้พวกกัดเดรียพวกกัดเริยคืออะไรพวกกัดเดรียก็คือพวกที่บอกว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ย เป็นความต้องการของเราเองร้อยทั้งรออ้อยอัลลอฮฺตะลาไม่เกี่ยวดูภาพวันนะครับอันนี้คือพวกพวกกาดริยะหมายความว่าที่เราทําผิดที่เราทําถูกที่เราทำทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮฺไม่เกี่ยวอันนี้เป็นความต้องการของเราเองมันจะมีพวกหนึ่งที่เพวกกาดและวลเจดาริยะเป็นการตอบโต้พวกเจดาริยะพวกเจดาริยะก็พวกที่ตรงกันข้ามกับกาดาริยะ ย บ, บริยคาคารายผู้ที่ททอ้างนนว่าเขาัขาทาเ า, ะะาเาไนนเาเม่ไททด้มีคขาไม่ได้ต้องการอะไรสักอย่าง อันนี้ฟังหนึ่งมองว่าตัวเองมีความสามารถร0ออีกฟังหนึ่งมองว่าตัวเองนัาา้นศูนปอซ์ัลลอซุนนะละจะอยู่ตรงกลางอัลลอฮซุนนะัลุละจะมองว่าเรามีความประสงค์อัลลอฮฺตะลาให้เรามีเจตนาสามารถที่จะคิดเองเลือกเองได้แต่เจตนาตรงนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ความประสงค์ของเราความต้องการของเราเนี่ย ขึ้นอยู่กับความะส์ของลอตตาลาด้วยสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยลตตาลาต้องอนุมัติให้เราทำ ม, มันได้นะครับเพราะฉะนั้นจบนถ้าใครที่อ่านอัลกุรอานนี่จะเข้าใจง่ายมากเข้าใจตามอัลกุรอานนี่จะไม่ต้องอธิบายเยอะฟะมันชอการะใครที่อยากจะได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานเขาก็จะได้รับว่ามาจะชะอุนอิลลาว่ามาุนอิลลนชาออลล และที่เราได้รับบทเรียนเนี่ยเป็นเพราะลัลษณะมีความเมตตาให้กับเราเพราะองค์ประสงค์ให้เราได้รับความเมตตาจากการที่เราได้รับฟังและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานจริงๆง่ายจบถ้าเราฟังตามอัลกุรอานโดยที่ไม่ต้องมาตั้งคำถามแปล ก, ปลกๆเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจง่ายเข้าใจว่าอัลลอฮฺฉันยากไหนนี่แหละที่ก็บอกว่าเวลาที่เราพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าคิดว่า ความพยายามของเรานจะประสบความสาเร็จด้วยตัวความพยายามเองทำไมที่เราต้องขออุอาจากอัลลอฮ์เพราะเหตุนี้แหละฮะเพราะเหตุที่ไม่ต้องการให้เราบอกว่าทั้งหมดทั้งวงนี้เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมูลเหตุของเราทั้งหมดและทำไมที่สลางบอกว่าคุณต้องทำไม่ใช่แค่ขออุอาอย่างเดียวถ้าขอดุอาอย่างเดียวไม่ทำมันก็ไม่ได้ เรหวังให้อัลกุรอานช่วยอย่างเดียวรอแต่จะส้มหล่นอย่างเดียวมันไม่มามันต้องมีความพยายามด้วยต้องไปได้วยกันเข้าใจไม่ยากนะครับมันเข้าใจง่ายมา ก, กอัลกุรอานนี้เข้าใจง่ายมากแต่เพราะเรามัวแต่เขาเรียกว่าเอาเรื่องที่มีประโยชน์น้อยกว่าหรือไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยมายุ่งอยู่ในหัวทําให้ไม่สนใจหรือเสียเวลาไม่ดู เรื่องที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเองและเกิดผลจริงมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเองบางทีไม่ยอมที่จะที่มันมีประโยชน์นี่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมทําไม่ยอมใช้ไปหาเรื่องที่มันไม่รู้มันจะมีประโยชน์หรือเปล่ามันจะสร้างการเ ป, ปลี่ยนแปลงของเราได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าไม่รู้จักรำดับความสําคัญในการเรียนรู้นะส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับชอบอะไรที่ยากๆทั้งๆที่มันมีของง่ายอยู่ แ, แปลกเหมือนกันเนะาะอัลลุรอ หข า, มมาอัลลอฮตักวะและอัลลอฮ์มะฟิราห์ไม่รู้สวกอย่างหมาะความย่านี้ الله. อลค์เป็นอัลลอฮตักวะอัลลอฮตักวาคืออะไรพระองค์คือผู้ที่สมควรแล้วที่เราจะต้องเกรงกลัวเพราะว่าถ้าเราเกรงกลัวอัลลอฮ์เราก็จะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนพวกมชุชยิกิง ح ีก ق ة นี่ตั้งวกาอยู่ข้าวอาบะรองค์นั้นเป็นผู้ที่เราคลจะต้องเกรงงลัวการเพรงงตัวต่อพลลอ์จะทำให้เราเล่ะเล่อเล่อเลิอพฤติกรรมชั่วชั่วทั้งหมดทั้งปวงไม่กล้าที่จะทำผิดไม่กล้าที่จะทำบาปต่อพระองค์และถ้าสมมติว่าเราพลาดไปทำบาปไปหัวหัวอภลู มาฟอะฮลุตอะุมีาฟฟานะในสถานการปกติอุอลุตัควเรากลัวอัลลอ์เราไม่กล้าที่จะทำผิดแต่ว่าบางครั้งชัยตอนฮาวานัฟซูหรือวันบรรยากาศหรืออะไรเขาว่าไปดึงเราให้เราออกจากเส้นทางของบรรดามดตุตกีดไปสักพัก ยังมีอีกอัลลอฮตะลานอกจากจะให้เรากลัวแล้วให้เราได้ขออภัยโทษจากพระองค์ด้วยสุภาพอนัลอมันอยู่ด้วยกันครับมีไหมครับคนที่กลัวอัลละตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะยี่สิชั่วโมงไม่เคยทำผิดต่อละเลยอยู่ในการเหมือนกับดูแลว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺถ้ามีคนอยู่อย่างนั้นจริงๆท่านนาบีบอกว่าคนคนนั้นสามารถที่จะจับเงิกับมาไหกได้ แต่มันไม่มีเราทำบาปทุกวันอัลลอฮฺตาลาก็เลยบอกว่าอลลลมักฟิะพระองค์ยังเป็นผู้ที่คอยอภัยโทษให้กับบาวของพระองค์ด้วยไปด้วยกันครับสวยงามมากายัดนิจบอย่างง้าลัลตาลาบอกว่าอหลลุตตะกวาแล้วจบแค่นั้นเนี่ยเราเสร็จแน่ๆเราไม่มีช่องหายใจเลยไม่มีช่องอากาศระบายอากาศเลยอะ ถ้าทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยฮาตายห่าแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วจะไม่รู้จะขอโทษจากใครอันนี้ Allah ตรอสว่าอัลลอ์ุลมาฟเร า, า, าะด้านหนึ่งเป็นความกลัวใช่ไหมครับอัลลอฮตักว่านี่ทำให้เรากลัวด้านหนึ่งเป็นความหวังอัลล์ดุลมาฟเวาะเนี่ยเป็นความหวังเราได้หวังว่า ถึงเราจะทำผิดไปในบางครั้งรัศล拉ก็จะยังทรงอภัยอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเรามองแต่ด้านหวังอย่างเดียวอย่าลืมด้านที่น่ากลัวก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่สักก็ให้นึกถึงสักก็ให้นึกถึงละอให้นึกถึงยานนมให้นึกถึงการลงโทษการอกความจำแลมีความหวังแล้วก็ความกลัวในการดำารงชีวิตของเราแล้วเราจะได้ไปถึงสั่งนะครับ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์ลก็ นะจบอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานจริงๆก็คือคนแบบนี้แหละคนที่มีตักวาคนที่กลัวอ Allah เนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานคนที่เป็นมุตตะกิงเวลาที่กลัวอ Allah เนี่ย سبحان Allah เราใช้คำว่ากลัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกด้านลบจริงๆแล้วกลัวอ Allah นี่ไม่ใช่ความรู้สึกด้านลบ ถูกต้องไหมครับคําว่ากลัวในภาษาของเราเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกด้านลบกลัวอัลลอฮ์นะตะโกนตัวเองเลยเรืองความรู้สึกด้านลบมันแบบหึกหดตัวแต่จริงๆแล้วยิ่งกลัวอัลลอฮ์หัวใจจะยิ่งเบิกบานแปลกไหมเพราะฉะนั้นใช้คําว่าตั ก, กวาดีกว่าเราใช้คําว่ากลัวอัลลอฮ์เนี่ย มันทําให้เราไม่กล้าเราไม่กล้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดไม่เกิดการแอคทีฟทั้งทั้งที่มุตตะกี i n e มัจะต้องแอคทีฟอ่าเราก็เลยโดนเหมือนกับว่าโดนมันมาเข้ามาทําให้เรามีความสับสนในในการในการรับรู้ของเราก็ราะกลัว Allah อัลลอฮฺเถิดบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกลัวยังก็ทั้งขดหัวไม่กลัวไม่มีการแอคทีฟเ่ยไม่เอาอย่างนั้นกลัวอัลลอฮฺต้องแอคทีฟ กลัว Allah ต้องกลับไปหา Allah กลัว Allah ต้องมีผลงานออกมาให้เห็นเพราะมุตตะกีนเป็นคนที่มีผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานในเรื่องอิบัตด์ส่วนตัวหรือผลงานที่ออกมาเป็นมรารยาทที่เขาทำกับภรรยาทำกับลูกทำกับเพื่อนฝูงนีเน่เป็นมุตตะกีนทั้งนั้นเลยมุตตะกีนที่ดีเนี่ยจะดูแลภรรยาอย่างดี มุตตะกินที่ดีจะดูแลลูกอย่างดีมุตตะกินที่ดีจะมีมารยาทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เป็นมุกมินด้วยกันนี่คือมุตตะกินจริงๆไม่ใช่คนที่กลัวขดหัวตามความเข้าใจคําว่าความหมายของคำว่ากลัวในความรู้สึกของเราเราต้องเรียนคําว่าตะกวาให้ดีว่าตะกวา ม, มันคืออะไรนะครับมาชอะลอใครที่อยากจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากอัลกุรอานก็ ต้องเป็นคนที่ตักว่าต่ออัลลอฮ์สุภาพนะว่าตาละอัลลอฮ์จะให้นะเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้านายของบรรดามุตตะกีนใครที่เป็นลูกน้องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้านายของบรรดามุตตะกีนแน่นอนว่าเราจะละวาลีอย ال ين, ุ่ صالحين วาลีอยู่มุตตะกีนเป็นเจ้านายที่ดูแลลูกน้องอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นลูกน้องเป็นสมาชิกเป็นเบ่าวที่ดีกับอัลลอฮ์เมื่อไร ยิ่งคําว่าเบาวก็เหมือนกันเป็นอีกคำหนึ่งที่เรามควารู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นเบาวเนี่ยมันต่ำต้อยเหลือเกินแต่คนที่เป็นเบาของอัลลอฮ์เนี่ยสูงมากท่านอับดุลเลาะห์สัลัลลอฮุซุลลอหชอบที่จะให้คนอื่นเรียกท่านว่าเป็นเบาของอัลลอฮ์เพราะตําแหน่งเบาวสําหรับอัลลอฮ์สาะอัลาเป็นตาแหน่งที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์สัลลัมากที่สุด س ุบ ا านัลลอฮ์เราต้องเข้าใจให้ถูกนะครับกลัวเบาว เป็นคำลบทั้งนั้นเลยในความรู้สึกของเราในบริบทของของภาษาเราอะใช่ไหมครับที่เราใช้ภาษาของมนุษย์แต่ว่าในบริบทของอ l l a h Subhanahu Wa Taala สองคำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอ Al Mukti Abdullah เพราะว่าเราจะได้อยู่ภายใต้ใการดูแลคุ้มครองจาก Allah Subhanahu Wa Taala แล้วก็ได้รับประโยชน์จากท่าดํารักของพระองค์อยู่ อย่างเสมอนะครับในชีวิตของเราจะได้มีบรารมีต่างๆน้นามากมาย น, นะครับจำเอาไว้ว่าการศรัทธาต่อวันอัคราฐคือจุดสำคัญหรือเป้าหมายสำคัญสำหรับโซห์นี้การที่เราทำให้เราศรัทธาต่อวันอคราตเนี่ยมันจะงอกเงยเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำเป็นแอคชั่นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนยาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีความสุขตลอดไป อินชาอัลลอฮ์นะครับสุาะต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอัลกิยามะซึ่งจะเข้มข้นกว่านี้จะต่อเนื่องกันกับสุราะนี้แล้วก็จะมีบางเรื่องบางอย่างที่ผูกโยงกันได้กับสิ่งที่เราได้อธิบายไปบิสลลาฮิรรห์าลลีินิมติทีจะศัลฮัอัลลอฮ ا ل ص الله ع ا ل ل ه س ل ا م الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة